ท่านสาธุชนพุทธบริษัต์ทั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ศึกษามหาสติปรฏฐานสูตรมาแล้วก็มาฟังตรงนี้คุณจะแปลกใจ ว่าทำไมในมหาสติปัฏฐานนั้นสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สำหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไรประโยชน์ เพว่าถ้าคิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนนีิยดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทําลายกิเลสให้เป็นสมชื่อตาบานหรือเปล่าความสําคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งมีผ้าวิจาร์จะไปนั่งวิจัยว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกัน แล้วทำไมจึงต้องว่าอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้สับนั้นเป็นอย่างนั้นสับนี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระพระบุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นนเวลามันเสียไปเท่าไหร่ ไปนั่งมีผ้าิีัยคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้ได้จิตนั้นทำแบบนั้นจิตนี้ทำแบบนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคืบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทำไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดถึงเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้แนวนุสติเก้าบริการมีอะไรประจําใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักผนิพันธ์เป็นเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทําลายความชั่วตามที่พูดมาใ น, ในอุปสมานุสติกรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเร็วตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเร็วมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเร็วไม่ได้ลดความเร็วแล้วก็มีอยู่มากเสด้วยนักวิพาตนักวิจารอะไรต่ออะไรเนี่ยมีอยู่มากอันนี้อรตมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทำลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มูลหน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั่งติดจิตไม่ติดอยูอ่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สรรพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่ได้วัดดับดับโลกีวิสัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกรีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทําทำแบบนี้ย่าเพราะในกรรมฐ า, านสี่สิบนเป็นความรู้ทั้งสี่ระดับคือเป็นความผลที่เพิงได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกเีวิโชชรพิโยปิสัมวิทัปปโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสมาบัติจริงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นส่งจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานสุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรสอนไว้ครบน ว่าตอนนี้ว่ากระเทยอ น, นาปานนสติกรรมฐานม้แก้เรื่องของท่านน่ะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่เีเรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลย ก, กลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วย <c oughs> แต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยสับเล็กสอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายแต่เราอย่าตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไป ว่านาปาอนุสติกรรมฐานได้แก่การกันหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินทรสีแนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนบิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในอนุสติ คือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจาคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธายริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสําหรับอนนาปานุสติเป็นกรรมฐานทําลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง่ายๆคือวิตกกโมหะ ถ้าชอบคิดสําหรับมรณานุสติกรมมฐานกับอุปสมานุสติกรมมฐานเป็นกามมฐานส่งเสริมกําลังจิตคนข้องที่มีความฉลาดได้แก่ผู้ทานุสติเหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแนละไม่เหลือนะ่ะเ้าเหลืออยู่นิดมนะั้งมรณาโนสติอุปสมานุสติกรมมฐานสมเด็จการ สำหรับสมุนธัตถะพุทธเจริญนี่เหลืออะไรอันหนึ่งเนาะสำหรับกายก็ตานุสติไปโคกกระสุปกรรมฐานเป็นเจกรรมฐานทําลายราคะจริญเข้าใจไว้ด้วยนะอนาปานุสติกรรมฐานนี่ทําลายความคิดพลนันเขาปฏิบัติกันยังไงอานาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์งมาก ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายเท่าว่าท่านทรงชาลสีเป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรเนี่ยาตายเวลาเท่าไรท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมด ถ้าพูดกันทค่เรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงแล้วก็ตายจังหวะนั้นแน่มารู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมเช่นคนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไร ก็เลิกถามกันที่ทีเวลานี้เรื่องหมอดูขยัให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เลิกแล้วเลิกเป็นคี้์ค่าชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นคี้์ค่าชาวบ้านเนี่ไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นคี้์ค่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไร แต่ถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุกข์แล้วก็มาก็ไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกํลาลังป่วยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้สิอีกเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับอนาปานสติกรรมฐานในมหาปฏิปฐานนาสุดกับ ในกรรมฐานสีส่สิมีวิธีปฏิบัติต่างกันเพราะว่าในามาหาปฏิบัติฐานสูตร <c oughs> เป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขาวิปัสสโกจึงเลยใช่าอารมณ์ไม่หนักใช่อารมณ์พอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจรารณากรรมการฐานอย่างอืน่น แล้วก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดแต่ลดข้อในกรรมหาพปฏิปทานในสูตรมีวิปัสสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐานสี่สิบสอนสมถะไม่เต็มตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานในสูตร และให้รู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมฐานสี่สิทธิ์การกำหนดรู้เราไม่ใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่สอง ลมกระทบหน้าอกฐานที่สามลมกระทบกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนเหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจม ok. ูกถ้าคนริมพี่ปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพี่ปากด้วยนี่เป็นการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกในกรรมาฐานสี่สิทธ์จะต้องทรงตามนี้ <c oughs> ถามว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้อง ป, ปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมหายใจให้มันแรงจะได้รู้อนนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมหายใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมหายใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทําแล้วไม่มีผล ต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติหายใจตามธรรมดานิ้วจิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสมัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้เป็นอันดับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานแล้ได้เลยเลยก็ดี <c oughs> แต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐานถ้าจิตกำลังอ่อน รู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมกูกเวลาเข้ากระทบจมกูกเวลาออกกระทบจมกูกหรือกระทบริมที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อยู่อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กำหนดทำจิตเพื่ อ, อทรงอารมณ์ตามนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคาณิกาสมาธิ <c oughs> แบบนี้วัดใจได้ไง่าย แปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าทารู้ถึงฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจ ม, มูกและริมที่ปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้ารู้ถึงสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นก็ท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌาน <c oughs> สำหรับอนาปานุสติกมัณฑ น, นี องสมเด็จพปินญาสีสรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่สรงได้ทั้งชา้นสี่เอาแค่ชานสี่อะไรกันชั้นห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้า น, นแค่ชา้นสี่ไอการจะแยกเป็นชั้นห้าไปตัดน้นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอของมันก็มีห้าฐานไม่กันสําหรับชา้นต้นแต่ก็ไปยอดน่นเพิ่มนี่ นี่เกินพอดีไปทําให้จกจิตคนปฏิบัติลำบากในการเจริญนาปานุสติกรรมัฐานจะใช้เวลานานเท่าไหร่ขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตตะกิรมัฐา น, นโยกอันดับแรกจิตรเราชอบฟุ้งสันเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควร มือ่อเขจับลิงมหัดให้เข้าแถวทหารเราแถวตรงมันจะตรงได้สักครื่องวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่เขาจับลิงมหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทําอะไรได้ตามคําสั่งเขามาได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวั น, น, วนต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใด การฝึกกำลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้วาิญยามต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ปฏิบัติตามคำสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำาไปยังไงท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานตุสติกามันฐานมีสภาพมันฝึกมาตัวพยศมาที่พยศนะ่ะถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรง จิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจเราขึ้นมามันพยศเสียจงท่าเราบังคับมันไม่ได้สำหรับกำลังการฝึกอารมณ์นาปากสติกมาถ่านก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่าเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลาคืนไม่ดีความ ทันทีกลาวันไม่เป็นเรื่องแต่กลาคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดหรือว่าสุด้วต่การอารมณ์จ้าการการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่องเลยกายด้วยถ้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าเป็นอุตจักระลมสั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นําเอานิวรณ์นั่นอะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้วไม่ต้องนํามาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาซึ่อย่างไม่ยอมแพ้มาซึ่อย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกไปสามฐานถ้าทําไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลย ถือกำลังใจเขาอ ง, องค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรรุอภิเศ ษ, ษ, ษ ส, สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ทิ้งไม่ได้ <c oughs> ถ้านักปฏิบัติจะมาฐานยังบอกว่ากลัวตายวาดโนนวาดนี่เลิกดีกว่าไม่ไดดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขือนยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทำมันทำไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทนี้เนี่ยขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะ ถ้าท่านมหาแตามาแตามาจะสั่งให้ไปูคคอตายนเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทำไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นถ้ารีบตายสัตยะานี้บันทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูนแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่าเลย <c oughs> บาปก็บาปไปรําคาญคนพวกนี้อยากทาความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นน่ะกลัวจะตายบ้างเห็นภาพอย่างนู้นเห็นภาพอย่างนี้กลัวไมนวิธีฝึกที่ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะ แต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันมารวบรวมกำลังใจเข้าไว้ไม่จะส่งความดีถ้ามันส่งไม่ได้จิตใจมันพลานจริงๆมันก็มาประย์ควบคุมไม่ไหวไม่ยู่สมริการท่านบอกเลิกเสีย ไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยแค่ทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบายแล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังไม่ก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่พะเรื่องกำหนดจับลมไม่ใจเขาออกจิตขั่นทรนงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลยมันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะ จับมันใช้เมื่อมันสิ้นกําลังเมื่ก็มาม้าพยศแต่เพราะว่ามาตัวประยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดพอมันไว้มือถือแ่แต่ไม่ตีวิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหน่ยอ่อนที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกําลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยแต่มาลองแล้วพระทำคำสอนสอนก็องสมเด็จพระประทีตแกวนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลองก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐ า, านสี่สิบกรดีมหาปฏิปฐานนู่สุกดกรีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ เป็นด้มีความรู้สึกเป็ความจริงเป็นเป็นการผ่านมานะสําหรับผลที่จะเป็นผูน้ได้ช้างคนดีเป็นมัสโนดาวซีทาคานาคาหลไรั้ก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้นท่านผู้รับฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะน่าจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐ า, านสี่สิบมาแล้วผ่านมหาปฏิปทานล่าสุดมาแล้วคงจะเป็นพระหรนนรัน้วก็ลือกัน เลือกันไปเถอะให้มันโตมารกเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง <c oughs> ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับมาจิตมันกลับมาแล้วจับจุดปั๊บเดียวมันอยู่อยู่แบบเนี้งเนี้ยงสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิง่งไม่วอกแวกไม่ทําอะไรทั้งหมด นี่แนวทางเขาองค์สมเด็จพระบรมสุคตินี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วจำไว้ก็แล้วกันให้ราการหนึ่งนิมิตของอนาปานสติกรรมฐานได้วความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกเข้ามาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาวสีเ ข, ขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปรากฏมาเป็นกระสินหรือเปล่า ควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทํำนี่เราไม่ได้ทำกระสินเราจะเดิญในอนาปานรสติกรรมฐ า, านแล้วก็สินไมนจะมาอย่างไงภาพกสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่รมลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพกระสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอทนาลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอา รักษาอารมณ์เดิมเขาไว้นี่จุดหนึ่งนะแล้วไปการที่สองถ้าทำไปทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติในบางคนบางครั้งบางท่านนะไม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่ม ส, มสบายคล้ายมีอารมณ์เคลิมแล้วก็เหมือนก็ตกรูปกรกมาจากที่สงเสียวอย่างนี้สว่าขนาดนั้นจิตอยู่ที่ กำลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกำลังของฌานไม่ได้เลยหล่นก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาาตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงๆ จ, จิตจะมีอารมณ์สงดพูดซ้ากันอีกแล้ว เจอไม่ถ้าเป็นบัตม่ชานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดีถ้าเป็นชานีสองอารมณ์ที่คิดกาหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์ลมลมลหายใจรู้สึกว่าเมาลงไปถ้าเป็นชานีสามลมหายใจน้อยลงไปใจสงัดยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียด เหมือนกับตัวใครถูกมัดแตนไว้กับเสาไม่อยากจะขยับกระเยื่นจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่คอยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าทิ้งฌานที่หน่งที่สองที่สามมานี่เขาเได้โปรดสาราบ ถ้าตอนเช้ามืดท่านรักษากําลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌานวันนั้นทั้งวันกําลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่ทุกข์สั่นอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากําลังใจขบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยทุนนาเข้าทั้งฌานสี่ตอนนี้จะปลายกดอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกาตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์โปร่งโปร่ ง, รงสบายมีความสว่างสวัยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอมเบคขาเฉยจากการสัมผสัสทั้งหมดนี่การแนะนา นอนาปานุสติกรมฐานเขาองค์สมเด็จพระ บ, บรมพิจิตามานก็ข อ, อยุติไปแต่เพียงทานีเพราะเวลามันหมดแล้วเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททังหลายจงถืออนาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นสําคัญแย่าขึ้นต้นในกรรมฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นด้วยอนาปานุสติกรรมฐานเสียก่อนมิเช่นนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุ้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอธัธยาศัย ตอนนี้ไปเขาบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันแย่อยู่ในรยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ริงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอันเนยาใสาจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั่งสมควรสำหรับท่านสวัสดี